ว่าก็มีเหตุการณ์หาึงที่น่าสนใจที่มีแง่มุมที่น่ากล่าวถึงก็คือเรื่องที่สามปกครองมีคำสั่งเปิกถอนพระราชกฤษฎีกาสองฉบับที่เกี่ยวกับ ก็พอพอซึ่งก็มีผลํำให้ไม่สามารถจะแต่รูปก็พอพอให้เป็นบริษัทมหาชนได้คือเอาเพืทีคือเอาเอาเข้าตลาดหุ้นเลย้ะจะต้องกลับมา อยู่ในภาพเดยมเพเป็นรับวิสาหกิจที่นี้ก็เป็นข่าวใหญ่มีกระทบมีผลกระทบที่กว้างมากเพราะว่ามัน็นกระทบกับนโยบายรา่รูปภิสาหกิจของรัฐบาลซึ่งก็เดินหน้าไปได้ เ, เยอะนะล้มีผลกระทบต่อ ตลาดทุนเพราะว่ากพอพอนี้ก็เป็นเป็นกิจการที่ใหญ่มากก็ขับตลาดทุนทำในตลาดทุนนี่ยขยายตัวแล้วก็จะมีผลกระทบต่อคนในวงการรัฐบาลซึ่งก็ สายบายนี้ในการสร้างความเชื่อมั่นตอนนันกลงทุนแต่ว่าอันนั้นก็เป็นรประเยชนอันนึงแต่รประโยนนี้ก็คือจะทำให้การหาประโยชน์ส่วนตัวจากการ แต่รูปนี้ก็ทำได้ยากางคนก็เชื่อว่าที่แปลรูปมีก็ส่วนก็เพื่อพับพ่วงตัวเองก็ได้มาซื้อหุ้นซื้อหุ้นฝันหุ้นหรือว่าใช้กิจการของรับวิสาหกิจเดิมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่เพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดมีตำนั้นแต่ว่ามันมีแง่มุมอันหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นเป็นเบื้องหลังของของเหตุการณ์นี้ก็ได้เพราะว่า บนคนที่คัดค้านนโยบายนี้เขาก็เรียกว่าก็เรียกว่าถอดใจแล้วถอดใจที่ยาที่จะต่อสู้คัดค้านเนื่องจากได้ทำมาหลายวิธีแล้วทั้งการผักดันผ่านรัฐสภาผ่านสอวอ แต่ว่าก็เป็นเสียงเ่วนน้อยก็ทำอะไรไม่ได้ถักทั้งเขไปในกรรมพิการก็ไม่ได้ผลจนถึงขั้นประท้วงกันเป็นขั้งแรกในรอบหลายปีที่ทักษิณเป็นนายกก็ประท้วงกันก็ไม่ได้ผลจนมาทั่ง ใกล้จะถึงวันที่เขาจะเอาเข้าตลาดหุ้นแล้วเรียกว่าแบบเื่ออาทิตย์หน้านี่นะอาทิตย์หน้าก็จะเขาก็จะเข้าตลาดหุ้นก็จะมีการขายหุ้นกันแล้วรวมมือท่าเทียบกันแต่ชาวบ้าน เ, เหมือนกับกําลังถามโรงถามศพนี่ไปถึงป่าชาก็รอแต่ว่า เปลี่ยนกเขาเท่านันแะสร็แล้วก็เออก็ ม, มีคนค น, คนร้วเออมันก็มีช่องทางนึงนะก็คือการฟร้องสารปกครองโดยอาศัยแม่มงนอาศัยข้อบุคคล้องทางกฎหมายของรัฐบาลที่จริงข้อบุคองมันมีเยอะไปหมดแต่ว่า หลากระบวนการอื่นก็ไม่ได้ผลยัก็มีก็ปกป้องทางเกฎหมายอยู่ใเรื่องนี้ได้ไปป ร, รึกษากันคนส่วนใหญ่นีกว่าส่วนใหญ่เลยไม่ถึงด้วเพราะว่าไม่มีทางเป็นแต่ไม่ได้อันนี้พูดเฉพาะคนที่มอง็นช่องทางในเนี่ยกฎหมายแต่ก็มีหลายคนก็บอกมันไม่นายตีความอย่างนั้นได้ เสียงคนที่เห็นว่ามันมีช่องทางที่จะทำได้ก็ก็เลยว่าแทบจะไม่มีความหวังถ้าเป็นเปอร์เซ็นก็เลยว่าหนึงเร้นันคือฉันนั้นหรืออาจจะต่ำกว่านั้นตอนที่ผู้องค์กรผู้บริโภคชนชั้นนาคเข้ามประชุมกันกับผู้องค์กรด้านเศรษฐ์แล้วก็ผู้องค์กรที่ทำเงินาได้เขึ้นไว้รือท่า น, า น, านมาาไม่วิชากรารตาม แล้วก็พอมองคนดูว่านี่ก็เป็นช่องทางแต่โอกาสที่จะทำได้มีน้อยมากน้อยมากจงกระทั่งพันนายหลายคนก็ไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องนี้ลักษณะของเราว่าคือคือสุดคือสุดท้ายตานที่จะยืนเรื่องสารปกครองซึ่งเป็นวันหมดเขคุยจนเตรียมที่จะหาที่จะล่าง เลืองร่างคํ า, า, าคฟองวทนายสมาคมทนายความเนี่กท็ที่ที่ทำเรื่องนี้ก็ก็ไม่สนใจเพราะติดประชมุมที่นึงก็ไม่อยากจะมาเสียเวลาไปเรื่องนึงทนานที่ก็ตกตรงกันไปแล้วว่ า, วาจะทำทนายบางคนซึ่งมีชื่อในเรื่องของการต่อสู้ทางศาลกับรัฐธรรม แล้วก็ช น, นะบอลเดลโลเช่นฟ้องสาปกคองให้ให้คืนสันชาติให้กับประชาชนที่พังหนอซึ่งก็เป็นการซึ่งก็เป็นงานงานใหญ่งานที่โบดแดงของเขาเพราะว่ามันทำยากพอมาเจองานนี้ก็ยังถอนใจเลยว่าไม่อยากจะมาทำเพราะว่ากลัวจะเสียประวัติว่าทำแล้วแพ ก็คือประวัติป่อยคนนี้ก็ชนะมาตลอดคดียยากชนะมาตลอดพอมาเจอคดีนี้บอกไม่อยากทําไม่อยากเกียดข้องไม่อยากเสียปวัตว่าทำแล้วแพ้อะไรคนก็คิดแบบนี้เอาคือว่ามันจะมียวมันมีทางชนะหรือแต่เราคุยกันสนใจว่านชนะหรือแพ้มไม่สําคัญแต่ขอให้ได้สู้ในประเดี๋ยวมันก็บอกว่ามัน ด้วยการกระทำดีที่มนมุษย์การกระทำเป็นของมนมุษย์แต่ความสำเร็จเป็นของฟาดิกก็ต้องทำเนี่ยไม่เรียก ว, ว่าต้องเรียกว่าต้องเรียก ว, ว่าตอระชกาตคอรีก่าตองรีย่าต้องทรียกว่ า, า, าต้องเรี่าต้องเาต้องเีาล้งเลียกว่าจ้อรีว่า้งเรียก็าเลิกคบกั่าตองย่า้ี่าต้งี่ จนระทั่งคนในห้องประชุมว่าตะลึงก็เป็นนั้นว่าก็ต้องไปไปลากคอมันมาเพื่อที่ให้มันเขียนคำฟองในคืนมันเสร็จก็เช้ามืดเช้ามืดก็ตอนเช้าก็ไปยืนจริงๆริงก็วันนั้นเนี่ยวันเดิมที่มันเคยไปยืน่นทีแล้วมันตีตกลับเพราะว่ามันไม่พร้อม มันไมฟ้องก็อย่างที่ว่าคนก็ไม่เกื่ยวเนี่ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวในเรื่งารนะแล้วก็ไม่อยากจะมาเกี่ยวข้องเปอร์เซ็นต์แน่คนมันน้อยยื่นมาทีส่งตีกับคืนนั่นก็เลยต้องทําใหม่แล้วก็วันรุ่งคือก็นําไปยืน่นครนี้ก็เอกสารก็สมบูรณ์คบางฟองก็สมบูรณ์ก็เลยแล้วก็บางลกลายเป็นข่าววิ่นมาข่สารก็รับฟ้องขึ้นม ราฟ้องขึ้นมารวมทั้งมีคําสั่งศาลให้ยุติก า, ารให้ระงับการขายหุ้นซึ่งมันจะขายหุ้นนี้ไม่กี่วันแล้วหรือว่าเงินตลับคนที่อยู่เบื้องหลังอันนี้เรื่องใหม่ของเงินเป็นล้านล้านเงินหลายพัน ล, าน ล, ล้านกำลัง ล, ล, ล, ลอยเข้ามาเพราะว่าถ้าซื้อหุ้นก็หุ้นจะคงถูกขายหมดภายในเวลาไม่ถึงสินาทีอาจจะห้านาทีแล้วเราจะนั้นก็กระบวนการฝันหุ้นขายหุ้น มันก็ตามมาใจมังินเน่าๆกันเป็นร้อยล้านพันล้านเลยไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่ขายรูปต่อไปอนั่นแหลนี่ก็เลยกลายเป็นก็กลายเป็นข่าวแต่ในตอนนั้นก็ยังไม่มีคนก็ยังคนก็ยังคิดว่าโอกาสที่จะชนะมันมีน้อยแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นคนที่ ในกางที่มีที่ประสาทจะรับรองก็ก็แปลกใจเร ก, กลายเป็นกลายเป็นมีส่วนในในชัยชนะน้อยๆขึ้นมาเพราะว่าการที่ระงับการขายคุณน้นใดๆก็ถือวเป็นเป็นใจหน้าที่สําคัญของ ฝ, ฝ่ายฝ่ายผู้บริโภคประชาชนเพราะว่ามันใช้กับวิธีอื่นมามากมายมทำไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ขึ้น เป็นที่ใช้อย่เคลื่องหลายวิธแวีแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเป็นคนที่มีกำลังเป็นคนที่มีสถานภาพมากก็ยังทำยังไม่ได้แต่องค์ความผู้ผลิโภคกเช่งเสดเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเอ o อซึ่งเป็นคนแล้วก็มองเราไม่มีอะไรมกับดิบลุด เ, เรกว่าถ้าถ้าเทียบอย่างที่เมื่อกี้ในการ จะเผาก็หยไม่ให้มีการเผาได้จะไม่คิดว่าให้คนตายหยุดพื้นขึ้นมาได้ไม่คือคนตายหยุดพื้นขึ้นมายังไงก็ต้องเผาอยู่ดีเพียว่าคิดเมื่อไหรกัน้นจะ ก, การไยว่าคนตายกับพื้นขึ้นมาได้ก็ไม่ได้ตายจริงเพียงแค่หมดลมไปเท่า น, นั้นเองนี่ก็มันสภาพที่ต้องต้องเปลียนกนอย่างนั้นเลย สังสารเมวานมันเหมือนกับว่าเป็นการปลูกให้คนตายฟื้นขึ้ใหม่แต่ทม้งหมดนก็เลือกต้นจากคนที่เขาเขาลองก็ตะโกนว่าเฮ้ยคนคนที่อยู่ในโรงนี้ไม่ตายนะอืมันไม่ใช่ศพใครใครก็ว่าเป็นศพแล้วทั้งนั้นหมอก็ว่าเป็นศพแล้วทั้งนั้นใครใคก็ว่าเป็นศพแต่ว่ามีคนได้อยู่คนบ้าเพราที่บอกว่ามัน ไม่ใช่ศพนะมันมีชีวิตอยู่แล้วก็ในทสุดก็ศพแล้ก็คนในคนที่เหมือนว่าจะเป็นศพแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าฟื้นขึ้นมาแล้วจะกลับไปเป็นศพหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่างฟื้นขึ้นมาใหม่แต่สุขภาพแข็งแรงหรือมานั่นเปน็ประเด็นที่หน้ากล่าวถึง ก็คือว่าบางครั้งไอ้สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันมันจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เนี่ย บ, บุนที่สำคัญนะคือว่าคนเราแม้รู้ว่าโอกาสที่จะสำเร็จมันมีมันมีน้อยแต่ว่า ก็ไม่เพียงพยายามที่จะสู้ไม่เพียพยายามที่จะทำบางครั้งในการการที่คนอืน่นหรือแม้ว่าทั่งเป็นผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่า mm. เป็นไปนไม่ได้มันแพ้แน่นอนแต่คาว่าแน่นอนนี่มันไม่ใช่คาว่าแน่นอนนี่ก็ต้องตั้งคาถามเพราะว่า อะไรก็ตามที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงๆก็ยังไม่ว่าแน่นนอนเลยได้ถ้าว่าแพ้แน่นนอนมันจะแพ้แน่นนอนก็แต่เมื่อก่อปออมันขายทอดตลาดจริงๆแต่ถ้าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไ่บณแน่นนอนเลยได้หรือว่าแพ้แน่นอนก็มีความหมายแค่ว่าก9 9กตำกหน่งมันไม่ได้หมายความร้อยเปอร์เซ็นตเต็มปัญหาตัวขณะที่ยังมีช่อง 1, 0. 0.1 หรือ 0.01 หรือว่า 1% ก็ตามนี้เราจะทำยังไงเราจะมีค่าที่อย่างไรงันก้อนนี้นี่ก็เป็นเพื่อนิยัมว่าแม้จะมีแค่ 1% หรือ0 1ก็ยังน่าทำจากไดที่มันยังไม่ได้ยังไม่ได้ 100% เต็มก็ยังต้องทำมันต่อไป ประเด็นที่เราชนะก็ย้ำอยู่เสมอคือว่าการดช น, นะไม่สําคัญเราคอยได้ทำํำในการกระทำเป็นของนนมนุษย์ทางเสลี่ยที่ฟ้าดินอันนี้เป็นสําคัญมากเลยเพราะว่าจะว่าไปมันก็เหมือนกับการทําโนที่ทําปัจจุบันให้เต็มที่ถ้ามองในแง่เพืพ่อคือทำปัจจุบันให้เต็มที่ อนาคตนั้นเป็นเรื่องเหตุปัจจัยพูดอย่างเงี้ยพูดนะแต่คนส่วนใหญ่เวลาจะทำหรือไม่ทำนี่ก็มักจะมองไปที่อนาคตก่อนว่ามันมีความหวังมันมีได้ผลไหมแล้วก็ถ้าไปคาดดาว่าเสนทางข้างหน้ามันแย่ก็ทำให้ไม่อยากจะทำปัจจุบันให้เต็มที่ คนเราต้องจะเอาการกระทำในปัจจุบันไปฝากไว้กับอนาคตถ้าอนาคตมันสดใสฉันจึงจะทําปัจจุบันให้ดีถ้าอนาคตมันดูไม่สดใสฉันก็ไม่ไม่คิดจะทําปัจจุบันให้มันเต็มที่ฉันเชร่อฉันปลอดใจฉันยอมทําอย่างซ้ำกระตนี่นี่แม่พูดนี่แล้วก็คือว่าให้ทําปัจจุบันให้เต็มที่อนาคตนั่นเป็นเรื่องนึ่ง อย่าไปสนใจอนาคตมากนะเพราะอนาคตมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยมากมากที่เราไม่รู้ได้นักศาสนาบอกว่าการทําอยู่เป็นของมนุษย์สาส์นีฟ้าดินเนี่ยจะว่าไปถ้ามองแบบครูครูการสอนเป็นเรื่องของตัจธรรมฟาดินมันคลื่อนฟาดินคือเรื่องของเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่เรารู้ได้บ้างไม่รู้ได้บ้าง ควบคุมได้บางไม่ควบมแม่ควบคุมได้บางอันนั้นแหละก็คือเรื่องของตัทตาเพราะตาทัทตาเป็นเรื่องของปัจจัยเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองที่มันเป็นเฉ่นเ่นก็เพราะปัจจัยเหปัจจัยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตาทัทตาส่วนใหญ่ก็มาจะใช้เวลาเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วมันเป็นไปในทางที่ไม่คาดหวังไม่น่าพอใจก็ตัทตาหรือเพื่อนั่งส้่งนะจ๊ะนี่ เพื่อมันง่ายกว่านั้อ่อนิจจาอนิจจาอนิจจังบางคนมันจะพูดอย่างนี้มเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วตถตาก็เหมือนกันแม้ว่าคนจ น, นไม่ค่อยรูจร้จักแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มัแต่ใช้เมือเนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วตถตาเป็นเช่นนั้นเองแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีคนที่จะเอาตัต า, ามาใช้เลย สิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังเป็นอนาคตอยู่ความสำเร็จที่ยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเราลองมาใช้ตาตาครับในยามในเมื่อเหตุการณ์ยังมาไม่ถึงบ้ามันก็จะดีเหมือนกันการกระทำเป็นของมนุษย์ความสําเร็จเป็นของตถตาหรือว่าผู้ให้ผลลัพธ์การเฉาี่ยเป็นของฟ้าดินก็ได้ นี่ถ้าคนเรานี่ยกอนาคตให้เป็นเรื่องของตาทัตตาแต่ปัจจุบันเรารับเหมาว่าเป็นของเราคือทำเต็มที่อันนี้มันจะเปลี่ยนอะไรไปได้เยอะยคนทำจะมีความสุขมากขึ้นคนทำจะมีกำลังใจมากขึ้นแต่เต่๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยได้ทำอะไรในปัจจุบันให้เต็มที่เพราะว่าคอยชงเน้อยอยู่กับอนาคต ในอนาคตมันลําบากก็เลยไม่ทำเช่เลยในอนาคตว่ามันไม่สดใสมัมีทาเที่จแท้ก็เลยไม่ทำเช่เลยหรือแม้ที่แม้จะรู้ว่าตอนาคตมันสดใสแต่ว่ามันกว่าจะถึงก็อีกนานก็เลยทําแบบสั่งกรต่ายด้เสมอเลยทอแท้อทอถ อ, อคนกังวลแม้วทา ง, งานที่มันสําเร็จในอยู่แล้วก็ยังกังวลอยู่เขาบอก็คอยไปมองแต่อนาคต ความกังวลเกิดขึ้นของคนเราเวลาทํางานแล้วกังวลก็มันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเต็มที่มันก็อยู่เอาใจไป่มองไปที่ข้างหน้ามองไปที่ผล ง, งานวนะนี่แหละมันจะสร็สักทีนะเมื่แหละจะเสร็สักทีนาะขับรถก็ขับรถด้วยความกังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแนะทนที่จะเป็นพิจรารณาเออเราเราขับไปเต็มที่ขับให้ดีก็แล้วกัน ส่วนจะถึงไม่ถึงมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยยกให้เป็นเรื่องของตาับตาไปหรือยกให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปเวลาจะทํางานมองขนาดควให้เป็นเรื่องของตาับตาเรื่องฟ้าดรือเรื่องขอ ง, องธรรมชาติถ้าทาปฏิบัติเต็มที่ออพระเนีอยพุธทธทีที่ควรจะเป็นในแง่พุทธศาสนาถ้าเรา แล้วถ้าคนทำกันอย่างนี้มากๆการทํา ง, งานก็จะมีความสุดแล้วก็สามารถที่จก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายยึดย่างถ้าย้อนกลับไปตัวมีการเครื่องหมายเป็นกบกรถ้าทุกคนผอใจไปเส้นหมดเห็นว่าไม่มีทางชนะแน่แล้วก็ไม่อยากจะเปลืองตัวกับเรื่องที่ต้องพ่ายแพ้เสียประวัติเสียเครดิตว่าฉันทำว่าฉันแพ้ ก็ก็เป็นอันว่าป่านี้ก็กอก็คงจะเป็นของอิสชนแล้วก็คนจำนวนไม่น้อยก็จะรวยอย่างมหาศาลส่วนคนชาวบ้านตาสีตาสาวคงจะต้องรับข้อรับภาระไปแล้วก็การแปรรูปล ว, วิจัยเพืกอที่เดินหน้าต่อไป แล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นก็ไม่รูบางคนก็อาจจะวาดภาพออไปประเทศไใดไปจะเป็นแบเจนตินหน้าก็นเถแต่นี่มันเรียกวาเป็นการเหยียดเบียดอย่างไรที่บางท่านนโยบายที่บางคนเรียกว่านโยบายขายชาติมันทำได้ยากทําได้ยากขึ้นซึ่งกวามหมายเขาอาจจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปได้ประวัติศาสตร์ตอนกลางการเปลี่ยนประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนได้ก็เพราะ เหตการเล็กๆ เ, เ, เป็นพวกคนไม่ดีนคนที่เรียกว่ายอมกล้าที่จะสู้ไม่ยอมแพ้นั่นเองที่เปอร์เซ็นต์จะชนะมันหรือน้อยแต่ว่าไปย้อนไปถึงสมัยสิบสี่ตุลาฯก็คล้ายๆกันเหมือนกันไม่มีใครเชื่อสิสี่ตุลาฯจะเกิดขึ้นได้แต่ันก็เริ่มต้นจากคนไม่ดีนคนที่ ้อนจะสู้โดยฝักหลักที่ลานโพตอนนั้ น, นคนที่อยู่เยนบรรยากาศก็จรู้ว่ามันไม่มีทางที่จะสู้ได้เพราะว่านากสาก็าจะเปลี่ยนสอบอีกแล้วนายสาที่ไหนจะมาประทว้วงแล้วก็เกิดการก็เว่ายิ่นใหญ่มากแล้วกตัวนี้ก็มันตัวนี้ใหญ่เพราะมันมีการจับคน ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ถึงขั้นจับคนอยางมากก็แค่ในนักศึกษาตอบอจับหมอเท่าไรตัวอินทรีจับเราจับคนในศษาคนแล้วเตรียมทุกคนค่อ่าอยู่แล้วว่างานนี้คงจะต้องมีการปราบปราบใหญ่เานักศึกษามีประท้วงกันมาหลายครั้งแล้วปล่อยให้ขึ้นมาใหญ่ไม่ได้แต่ก็มีคนอีกคนที่กล้าสู้ เอาตัวหรือเอาขอติ้งเขียนตั้งไว้ที่ไฟฟ้าที่ลานโพเอาดินน้ำมันไปอุดตามประตูไม่ให้นักศึกษาเขาไปสอบได้ซึ่งมันผิดถูกไล่ออกเสร็จแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่เป็นของศาสซึ่งตัวตัวเองก็ไม่ถึงก็ลองทัพบูอธิบายก็เป็นเรื่องของฟ้าดินเลยบอกว่ า, เเาบานนเป็นเรื่องของโชคชะตาบ้านเมงเป็นเรื่องของ รวมดาวแต่พนี้เพื่อคือมันเป็นเรื่องของตะทธตาเรื่องตะถธตาผลหรือความสําเร็จหรือความรุ่มเรือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเข้าไปควบคุมดูควบคุมดูแลหรือบังคับได้ แต่สิ่งที่เราสามารถวควบคุมดูแลบังคับได้คือกรรมในปัจจุบันหรือการกระทำในปัจจุบันนี่แหละแัะนี้มันก็นด้เป็นบทเรียนหรือเป็นเครื่องตอกย้ำให้เราใ ห, ให้เราเนิ้ยายนทาปัจจุบันให้เต็มที่โดยอย่าไปวันไหวกับการคาดคณี ในอนาคตเพราะาการคาดเนยในอนาคตมันมีโอกาสติดได้เสมอและเปอร์ซที่ติดมันก็เป็นไปได้เยอะด้วยเพราะาเหตุปัจจัยมันเยอะมากและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากก็ติดมาแล้วกับการคาดกันเนในอนาคตอย่างยูเจนี่เมื่อรับ20ปีก่อนเขบอกว่าคอมพิวเตอร์นีมีความจําแค่ 640K ก็พอแล้วสำหรับยูเจน พมว่า 40k ก็พอแล้วคือไม่ ไ, ไม่ถึงเล็กหรอกเดี๋ยวนี้มันไปไหนนะมันมันกลายไปกับเป็นเป็นรอยกิกแล้วมั้งกอหน้าเนะมื่อ30ปี40ปีคนก็บอกออมนุษย์จะไปถึงดวงจันทร์ัเป็นไไม่ได้นะคนที่พูดนี่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ10ปีเรามาก็พอรถ11ก็ไปถึงดวงจันทร์ได้ ไปเหยียบดวงจันได้ไอ้ เ, อเรื่องการค่าคะเนในในอนาคตนี่มือนนเราก็มีข้อจำกัดมากหลายๆก็พลิกผันไปได้มากเพราะนั้นนี่เวลาเราจะทำแล้วก็ตามอย่าให้การค่าคะเนในเรื่องอนาคตมันเข้ามาเข้ามา เข้ามากระทบหรือเข้ามาเป็นเป็นทุปรสรรคกับการทํางานเลยเพราะจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องชอบทำเป็นการกระทาที่ถูกต้องชอบทำมันก็ยิ่งต้องทำโดยไม่มีเหตุผลว่าโดยไม่มีเหตุผลว่ า, วาถ้าแพฉันมันจะไม่ทํา ถ้าชนะกันจะทําอันนั้นถ้าคิดแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นการคิดแบบอั ต, อติปไต่แต่อัติปไต่ก็เพราะว่าเอาตัวเอาตัวฉันเข้ามาผูกโยงคือจะทําหรือไม่ทําก็ต้องว่าฉันชนะหรือฉันแพ้ถ้าฉันชนะฉันก็ทําถ้าฉันแพ้ฉันก็ไม่ทำํำในเรื่องชนะหรือแพ้นี่สาบไปนี่ก็เป็นเรื่อ ง, อ, งอัตตานั่านัลน คนเราก็มักจะทําเพราะเหตุ น, นี้เราจะเอาเรื่องแพชชนะเอาเรื่องแพชชนะชนะหรือว่าฉันแพ้หรือฉันชนะนี่เข้ามาเข้ามาคํานวณเข้ามาคานวณอยู่เสมอในเวลาทํางานถ้าเราที่รู้ว่าสุริยธรรมมันถูกต้องแต่ถ้าเราช่วยในเรื่องธรรมะทีปไตยยิ่งไม่ธรรมะทีปไตยหรือว่า เอาทํำมาเป็นใหญ่เอาพาถูกต้องเป็นใหญ่ก็ต้องทําส่วนฉันจะแพ้หรือฉันจะชนะฉันจะได้อะไรหรือฉันจะเสียอะไรหรือไม่อันนั้นเก็บไว้ก่อนเอามาคํานึงบ้างก็ได้แต่ว่าอย่ามาคํานึงมาจนระทั่งมันกลายเ ป, าาเป็นใหญ่ในการตัดสินใจมันเป็นใหญ่ในการตัดสินใจืออันนตาที่ปไตยแล้วคนเราก็เผลอทํางินได้คือบ่อนๆแต่ทำลายาความที่ว่าน เขาก็ทําด้วยความเขาเช่วยด้วยความถูกต้องอยอมเพื่องตัวไปต่อสู้กับรัฐในหลายเรื่องฟ้องศาลปกครองกี่ครั้งก็ชนะศาลอาญาก็ชนะแต่พอมาถึงเรื่องนี้ก็ไม่อยากเสียประวัติอันนี้ก็เป็นเรื่องอัตตาเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเรื่องมานนะซึ่งมันก็ทําให้เราทําให้เขานี่ไม่ไมกล้าที่จะเข้าไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งตอนนี้เขาคงจะโปะแล้ว่าเขาคิดคิดเขตัดสินใจคิดหรือว่าเขาเขาคำนวณคิดแล้วเขาเกิดมาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ที่สําคัญไปแล้วตัวหลังเขาก็มาร่วมมือด้วยก็เรื่อว่าชื่อยันผักกันการทุนลังไปจนกทั่งมันออกมาอย่างนี้อันนี้ก็สรุปว่คือว่าไป เวลาจะทําแล้วก็ตามธรรมะถูกต้องชอบทำแล้วก็ขอให้ทำเต็มที่ส่วนผลเสเลนั้นก็ขอยกให้เป็นเยี่องของตถัตตาโดยกให้เป็นคนเหงาให้เป็นของธรรมชาติาแล้วเราก็จะทํางานเป็นได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความมั่นใจมากหึ้นทึบในตัู้กระท้อนนี้ฝากความต่